พระธรรมเทศนาแผ่นที่101ดลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่เจพฤศจิกายน2559มีชื่อเรื่องว่าปรารถนาจุดมุ่งหมายของตัวเองลูกหลานอยู่ในความสงบวันนี้เป็นวันจันทร์ ที่เจ็ดพฤิจิกายนพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันขึ้นแดค่ำเดือนสิบสองพระในวัดของเราสี่สิบสองรูปมีพระมากอยู่แล้วก็วันนี้ฝนตกตกตั้งแต่ตีสี่ฝนถ้าจะว่าฝนฝนหลงฤดู ก็ไม่น่าใจะใช่เพราะว่ามันยังเป็นฤดูฝนอยู่แต่ว่าตามปกติออกพรรษาแล้วฝนจะไม่ตกอีกสานเราแต่มันมีฝนวันนี้ผิดปกติตกตั้งแต่ตีสี่รู้สึกว่าตกแรงพอสมควรอยู่คงจะตกเรียกหนาวข้อ ม, มั้งสองสาวันมันรู้สึกว่าอากาศก็เย็นเย็นลงแต่วันนี้กลับมาฝนตกีก แต่วันพระหน้าหรืออาทิตย์หน้าเนี่ยก็เป็นวันหมด เ, เทศกาลกระถินแล้วทีนี้พราะเดือน12เพนอันนี้มันขึ้น8ค่ำแล้ว อ, อีก7วัน8วันข้างหน้าครับว่าหมดเขตกระถิน่นปีพุทธศักราช2559ันอวันนี้ก็เห็นจัทธาญาติโยมน้อยลงเพราะคงจะ ไปทำบุญวัดต่างๆที่ไปทอดกระถินยาติโกโหติกาไปทอดวัดต่างๆไปรวมกันทอดจวนจะออกวันจวนจะหมดเขตกระถินแล้วนะถิญยังไงก็าตามวันนี้เป็นวันพระแปดค่ำขึ้นแปดค่ำเดือนสิบสองข่าวหน้าเป็นวันวันพระหน้าเป็น เดือนเพนวันเพนเดือนสิบสอเป็ น, นวันลอยกระทงเป็นวันหมดหมดเขตและดูฝนเดือน12บสองเพนแปลว่าหมดเขตและดูฝนนี่แหละวันคืนเดือนปีปีที่แล้วก็ผ่านมาปีนี้ก็จวนจะผ่านไปอีกแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านหลวงพ่อย้ำแล้วพูดอีก ให้ตัวตราดูตนเองให้มองเจ้าของให้ดูเจ้าของอย่าลืมเจ้าของท่าว่าพวกเราไม่ลืมตัวเองไม่ลืมเจ้าของอยู่นสถานที่ใดแปลว่าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะมันมองเจ้าของอยู่ตลอดเวลาอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนไม่ควรไม่ควรอันไหนถูกต้องอันไหนเป็นธรรมอันไหนถูกการะเทศะการสถานที่บุคคลพวกเราพยายามมอง อันไหนมันจะเสียหายเราก็พยายามเบรกยับยั้งแล้วก็ไม่ดำเนินเดินไปถามไปในทางจุดนั้นที่มันจะเสียหายถ้าหากว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อวัดวาศาสานาต่อตนเองต่อชุมชนต่อประเทศชาติบ้านเมืองเราก็ทำจุดนั้น ถ้าว่าเรายับยัง้งหรือเราคิดได้อย่างนี้ทุกคนนะหลวงพ่อว่าเรื่องราวก็คงจะไม่เกิดขึ้นแต่นี้บางทีมันถลําไปด้วยกิเลสราคะบั่งโทสะบั่งโมหะบ้างโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งโมหะคือความหลงซะก่อนความหลงหลงซะก่อนมันยังเกิดราคะหลงซะก่อนมันยังเกิดโทสะบางทีก็หลงลืมตัว พอมาอยู่ในหน้าที่ตำแหน่งขึ้นมาแล้วก็พยองผองตัวลืมตัวแต่ตามไม่จริงในเมื่อ ก, การลืมตัวมันเขารู้จักาหาว่ารู้จักวางหมาดวางหมาดวางหน้าที่การงานมันก็ดีนะแต่าหารวาร ลืมเจ้าของไปเลยอันนั้นคนหน้าหน้าคิดนะโดยมากโดยมากโลกทั้งโลกนะพอมีอะไรเกิดขึ้นมันลืมเจ้าของนะเป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นพวกเราให้ตรวจตราดูเจ้าของนะอย่าลืมถึงยังไงมีอะไรเกิดขึ้นน้อมลำเลิกถึงมรณะภัยคือความตายอยู่เบื้องหน้าแต่คนลำเลิกถึงความตายไปอยู่เสมอนะ จะทำอะไรอะไรมันคงไม่หลงไม่ลืมตัวเพื่ออะไรเพราะว่าอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องถึงจุดนั้นอันไหนคือสิ่งที่ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะประกอบคุณงามความดีอย่างไรเราจะทำยังไงจึงจะให้ถูกต้องเป็นธรรมที่สุดถ้าเราเราเลิกถึงมรณะภัยไว้อยู่แต่ทางว่าคนหลงหลืมว่าตัวเองจะไม่ตาย อันนี้หลงหรือมกมากนะพวกเราท่านทั้งหลายพานเนลูกหลานทั้งหลายถ้าวันละเลิกถึงความตายไปอยู่เสมอนะเมื่อนังเบผวิสติอีกสักวันหนึ่งข้าพ เ, เจ้าจะต้องถึงจุดจบคุณงามความดีของข้ามีเพียงพอหรือยังถ้าเราทำอะไรลงไปที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมไม่ถูกกาลเทศะทำให้คนอื่นเดือดร้อน่อมแม่พี่น้อง วงสาคนาญาิเดือดร้อนประเทศชาติบ้านเมืองเดือดร้อนมันจะไม่เป็นผลดีสำหรับเราเราก็พยายามทำแต่สิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมเหมาะสมในสถานะที่เราอยู่ในสถานะนั้นนั้นในเมื่อเราเป็นลูกเราก็วางตัวให้ถูกต้องว่าเราเป็นลูกของพ่อของแม่ในเมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็วางตัวให้ว่าเราอยู่ในฐานะพ่อแม่ เราก็ต้องวางตัวให้ถูกอยู่ในหัวหน้าครอบครัวมันมีมันมีมนมล็อกของใครของเราทั้งหมดนะ่ะแต่จะให้มันปีนเกลียวนะถ้ามันปีนเกลียวปินล็อกเข้าไปแล้วนะ่ะมันไม่ดีนะขอให้พวกเราทุกๆุ ท, กท่านอันนี้คือการเป็นอยู่พูดในเรื่องการเป็นอยู่แต่ลงสวนทางด้านจิตใจจุดนั้นเป็นจุดที่ ตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำบอกกล่าวให้พวกเราหาหนทางที่จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารถึงเราจะกบเกิดมาพบใดชาติใดกี่พบกี่ชาติถึงจะเป็นมนุษย์เออได้รับความสุขบ้างแต่เป็นสัตว์ิร่ฉานมีแต่ระวยงระวังเวรภัยไม่รู้วจะมาหมายไหน ถ้าเป็นสัตว์ที่ดุร้ายก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นสัตว์ที่อ่อนแอก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเออมันมีแต่เวนไภเวนไภตอกเวียงระวังชีวิตของตนเองมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นอันนี้คือการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร เ, าเราก็เลือกไม่ได้อีกถ้าเราจังมีกิเลสอยู่บางทีอาจจะถล่มลงไปไปเกิดเป็น สัตติรชานหมูหมากาไข่เป็นสัตว์อะไรได้ทั้งนั้นอันนี้ก็คือทางว่าเราพยายามเกิดมาพบนี้ชาตินี้ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนในธรรมะเกขิตของท่านมีมากมายหลายองค์ที่พวกเราได้ศึกษาจะกนั้นเราคนนำธรรมคําสอนของท่านมาประพฤติธปฏิบัติ พยายามประกอบคุณงามความดีรีบเร่งขนขวายตังกอกตังใจภาวนาปฏิบัติถ้าเป็นไปได้นะให้พ้นทุกข์ในวัตฏะสงสารในชาตินี้ไม่มาเวยนวไหวตายเกิดอันนั้นเลิศประเสริฐที่สุดแต่ถึงอย่างไม่ได้ขนาดนั้นก็ขอให้ไปเกิดในพบภพบมิงชั้นใดชั้นหนึ่งเป็นเทวดาก็ยังเป็นที่หายใจของพวกเราได้ ถ้าว่าไปเกิดเป็นไปตกนรกไปเป็นเปรตไปสัตว์ที่ไร้ชั้นอันนั้นแปลว่าหมดโอกาสมีแต่ความทุกข์เข้ามาเข้ามาสู่ตัวของพวกเราท่านทั้งหลายอยาพวกเราท่านทั้งหลายเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกมีมากมายไม่ว่าสัตว์ประเภทไหนตัวประเภทไหนล้วนแล้วแต่ใ้กะ ใช้กรรมใช้ผลของกรรมตัวเองทั้งหมดปุนั้นพวกเราได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาอย่างเดยวนี้แล้วนะอย่าหลงละเริงอย่าไปลืมตัวอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้ น, ตนอย่าลืมตัวให้สํานึกไว้อยู่เสมอให้ประกอบคุณงามความดีไว้อยู่เสมอจากนั้นก็บําเพ็ญทานศีลภาวนาโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเรื่องภาวนาเนี่ยสำคัญมาก พ่อแม่กูบายอาจารย์ที่ท่านแนะนําบอกกล่าวให้จิตเป็นสมาธินะพยายามทําจิตให้สงบให้ได้นะด้เมื่อจิตสงบแล้วจะมองเห็นดีเห็นชั่วเห็นเรื่องราวต่างๆเห็นตนเองไม่หลงลืมตนเองถ้าจิตสงบแพอสมงานหลัิจากนั้นก็ใช้ปัญญาพิจารณาคลี่คลายด้วยติด้วยปัญญาเอาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกระจกเงา เป็นบรรทัดฐานและเป็นบรรทัดท่านให้พิจารณาอะไรท่านให้กําหนดอะไรท่านให้ดูอะไรในหลักธรรมคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดวันนั้นพวกเราปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนของพุทธเนี่ยถือใช้ปัญญาก็ใช้แนวของพุทธแนวความคิดก็ใช้แนวความคิดของพุทธะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ พวกเราจะไม่หลงโลกหลงทางสรุปแล้วจะไม่หลงโลกหลงทางจะไปเดินไปนะตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านพาให้เดินท่านมีช่องทางอยู่แล้วพวกเราจะมีแต่ประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจพบนิชาตินี้ต่อไปก็เป็นอุ ป, ปนิสัยต่อไปภายภาคหน้าเพราะว่าเราได้เําเพ็ญ แล้วก็ตัง้งจิตอธิษฐานไว้ในใจไว้อยู่เสมอเออเกิดพบหน้าชาติหน้าถึงยังไงก็ขอให้ข้าพเจ้าเดี๋พบคนดีเออดี๋ยวพบคนดีคดพบคนที่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมออแล้วก็ให้ได้ประกอบคุณงามความดีอย่าได้หลงโลกหลงทางออแล้วก็ให้พ้นทุกข์ในวัฏฏสงสารในที่สิ้สุดทําให้พ้นทุกข์ในชาตินี้แต่เจตนาของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าก็อยากจะพ้นทุก ในวัฏสงสารในภพนี้ชาตินี้แหละแต่ถ้าว่าถ้าว่ามันไม่พ้นจะทํำยังไงได้ก็ขอให้ข้าพเจ้าจะได้หลงโลกหลงวัฏสงสารอยา่าได้หลงในกิเลสราคะโทสะโมหะขอให้ข้าพเจ้าได้พบบัณฑิตนักปราชญ์ตั้งจิตตั้งใจเอาไว้ถ้าว่าเราไม่พ้นทุกในชาตินี้กันนั้นแหะ ให้เขาว่าเราไฟดีอยู่ตลอดเวลาเราไม่ไฟเร็วนะดีถ้าเราไฟถ้าเราไม่มีความตั้งใจมันเลือเล่อนลอยไปเรื่อยเรื่อเราต้องมีจิตมุ่งมั่นมีจิตมุ่งหวังมีความปรารถนาบางคนว่าปรารถนามันจะไม่ผิดพี่ผิดทางอันนี้พระพุทธเจ้าพระหันตสาวกท่านพาปรารถนามาแล้ว อย่างพระพุทธเจ้าท่านปรารถนาในจิตในใจมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติจนถึงมาถึงพระพุทธเจ้าทีปังกรที่เป็นฤาษีดาบทพระพุทธเจ้าทีปังกรก็ได้พยาวัพยากรพยากรนั้นทำนายว่าในอนาคตท่านทั้งหลายท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตชื่อปะโคตมะ นี่แหละอันนี้ก็คื อ, อพระพุทธเจ้าของเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจากนั้นท่านก็บำเพ็ญอยู่ในจิตใจถึงจะให้ทานมากเล็กน้อยให้มันทานมากให้ทานน้อยให้ทานาใหญ่อะไรก็ตามขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุพระโพธิญาณน่คือความตั้งใจของท่านขอให้ได้บรรลุพระโพธิญาณอันนี้คือพวกเราถึงจะไม่เอาขนาดนั้นพวกเราเขา เกิดมาพบนายกบมาชาติใดขอให้ได้ทาความดีแล้วก็ขอให้สำเร็จเป็นพระอาหารหันในอนาคตหรือในปัจจุบันในชาติให้ได้เร็วที่สุดให้ถึงมักถึงผลถึงมักผลนิพพานถ้าพวกเราพอถึงมักผลนิพพานเสมอกันไม่มีใครย่อหย่อนกว่ากันมักผลนิพพานนะไม่มีไม่มีชาติชั้นวรรณะไม่มีชั้นสูงชั้นต่ำ เสมอภาคคือความบริสุทธิ์นั้นอเหมือนความบริสุทธิ์มันเหมือเหมือเอสมอเสมอเสมอเหมือนกันเห ม, มือนกันถ้าจะว่าเหมือนกับน้ําทะเลน้ําทะเลเอลงไปน้ําแม่น้ําไหลลงไปไปถึงน้ําทะเลเป็นน้ําเค็มด้วยกันแต่น้ําทะเลยังมีทะเลดํายังมีมันเค็มกว่าที่อื่นอีกต่างหากยังมีที่เค็มที่ไม่เค็มนะ อแต่พระรหันนี้ท่านว่าเสมอภาคกันไม่มีย่อหย่อนกว่ากันไม่เหมือนน้าทะเลน้ําทะเลที่เค็มก็มีที่เค็มมากเค็มน้อยมีแต่พระรหันท่านว่าเสมอกันไม่มีย่อหย่อนกว่ากันถึงจะเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเมื่อเข้าสู่นิพพานแล้วก็เสมอกันภาษาวกทั้งหลายสุขขาวิ ปัจโกเตวิชโชสละพิญโยปฏิสัมพิทับปัตโตพระหานสี่จำพวกในครั้งพระโพธิเจ้าองค์ก่อนก็ตามองค์ปัจจุบันก็ตามหรือมาถึงยุคครูบาาจารย์ของพวกเราก็ตามที่ท่านได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลคำว่าขึ้นไปถึงสู่จุดนั้นแล้วแปลว่าสแตนดาร์ดเสมอกันความบริสุทธิ์เสมอกันทั้งหมดอันนี้คือพระนิพพานเพราะนันขอให้พวกเราทุกๆท่าน ให้ตั้งจิตตั้งใจไว้ในใจเพื่อหวังมักผลให้พานหาทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสารอย่าได้มาเวียนว่ายตายเกิดทำมาเกิดขึ้นมาแล้วโอ้เราดูในสารดูในศารลกคดีถ้าเป็นจิงโตก็ไล่บัวไล่ควายกัดกันต่อสู้กันแย่งอาหารกันตัวไหนเป็นสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่าเป็นเบี้ยล่างของ สัตว์ที่มีอายุมา ก, กามีกำลังมากกว่าที่มีเขี้ยวมีเล็บตัวที่มีเขี้ยวมีเล็บกว่าเถอก็ยังสู้มนุษย์ไม่ได้สู้สัตว์ราวุษไม่ได้ดูดูแล้วมีตะเวนมีตะไค์เกิดมาในโลกวัตสงสารมองดูแล้วนะฉะนั้นขอให้พวกเราอย่าได้มาเกิดดีที่สดหลวงพ่อว่านะตอนนี้ไปรับพรนะพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพร